เมตยะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของติสสะเมตยะมานุท่านติสสะเมตย ะ, ะ, ะ, ะทูลถามดังนี้ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความวันไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ย็ด ต, ติดในถ้ำกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษ ใครร่วมพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้คำว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้อธิบายว่าใครยินดีสันโดษคือพอใจมีความดําริบริบู์แล้วในโลกรวมความว่าใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านติสสะเมตยะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบท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 การขนานนามการบัญญัติชื่อที่เรียกกันชื่อการตั้งชื่อชื่อที่ตั้งให้ภาษาพยัญชนะชื่อเรียกเฉพาะคำว่าเมตตัยยะเป็นโคดเป็นการกล่าวถึงการขนานนามการบัญญัติชื่อที่เรียกกันสําหรับพราหมณ์นั้นรวมความว่าท่านติสสะเมตตัยยะทูลถามดังนี้คําว่าความหวันไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใคร อธิบายว่าความหวันไหวพระตัณหาความหวันไหวพราะทิฏฐิความหวันไหวเพราะมานะความหวันไหวเพราะกิเลสความหวันไหวเพราะกามไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหามีได้แก่ใครความหวันไหวทั้งหลายใครละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้ว รวมความว่าความวั่นว้ทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครคำว่าใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วได้แก่ใครรู้ชัดคือทราบเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งซึ่งที่สุดทั้งสองด้านแล้วรวมความว่าใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วคำว่าไม่ยึดติดในถ้ากลางด้วยมันตาอธิบายว่า ย่อมไม่ยึดติดคือไม่ติดแล้วไม่เข้าไปติดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วในถ้ำกลางด้วยปัญญามีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาคําว่าพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษอธิบายว่าพระองค์ตรัสเรียกใครคือตรัสถึงใครเข้าพระทัยใคร จงกล่าวถึงใครเห็นใครแถลงถึงใครว่าเป็นมหาบุรุษคือบุรุษผู้เลิศบุรุษผู้ประเสริฐบุรุษผู้วิเศษบุรุษผู้เป็นหัวหน้าบุรุษผู้สูงสุดบุรุษผู้เป็นประธานบุรุษผู้ยอดเยี่ยมรวมความว่าพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษคำว่าใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้อธิบายว่า ใครล่วงพน้นคือล่วงก้าวล่วงก้าวพน้นล่วงเลยเครื่องร้อยรัตในโลกนี้ได้รวมความว่าใครล่วงพน้นเครื่องร้อยรัตในโลกนี้ได้ด้วยเหตุนั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าท่านติสสะเมตยะทูลถามดังนี้ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความหวันไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชาติส่วนสุดทั้งสองด้านแล้ว ไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรือกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าแม่ตัยยะพิษุเป็นผู้มีพระมรรย์เพราะเห็นโทษในกรามทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้สันโดษผู้คลายตัณหาแล้วมีสติทุกเมื่อรู้ธรรมทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้ ภิกษุนั้นชื่อว่าไม่มีความวันไหวคำว่าภิกษุเป็นผู้มีพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในการามทั้งหลายอธิบายว่าคำว่ากรามได้แก่กรามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรามสองกิเลสกรามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกรามเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรามว่าด้วยอริยมักมีองค์แปเรียกว่าพรหมจรรย์ คำว่าเป็นผู้มีพรหมจ ร, รยิย์อธิบายว่าการงดงดเว้นเว้นขาดเจตนางดเว้นกิริยาที่ไม่ทำการไม่ทำการไม่ละเมิดการไม่ก้าวล่วงแดนแห่งการเข้าถึงอสัตธรรมตรัสเรียกว่าพรหมจ ร, รยิย์อีกในหนึ่งกล่าวโดยตรงอริยมรรคมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบ สามสัมมาวาจาเจรจาชอบสี่สัมมากรรมันตะประทํามชอบห้าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบตรัสเรียกว่าพรหมจรรย์ภิกษุใดเป็นผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อม เป็นไปเป็นไปพร้อมเ พ, พียรพร้อมแล้วด้วยอริมัคมีองแปดนี้ภิกษุนั้นตรัสเรียกว่าผู้มีพรหมจรรย์บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยทรัพย์เรียกว่าผู้มีทรัพย์บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยโพคะเรียกว่าผู้มีโพคะบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยยศเรียกว่าผู้มียศบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยศิลปะเรียกว่าผู้มีศิลปะ บุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยศีลเรียกว่าผู้มีศีลบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยความเพียรเรียกว่าผู้มีความเพียรบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยปัญญาเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลผู้เพียรพร้อมด้วยวิชาเรียกว่าผู้มีวิชาฉันใดภิกษุใดเป็นผู้ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อม พี่พร้อมแล้วด้วยอริยมรรคมีองค์8ดนี้ภิกษุนั้นตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีพรหมจรรย์ชั้นนั้นเหมือนกันรวมความว่าเป็นผู้มีพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในกวามทั้งหลายคําว่าเมตยะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพรามณ์นั้นโดยโคดคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวโดวยความเคารพเป็นสัจิการัญญัติ รวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตไยะคำว่าตันหาในคําว่าผู้คลายตันหาแล้วมีสติทุกเมื่อได้แก่รูปตันหาสัทตันหาขันธตันหารสตันหาโพธะพตันหาธรรมตันหาตันหานั้นผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้ว ถ้าไม่เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้คลายตันหาแล้วคือผู้สละตันหาแล้วคลายตันหาแล้วปล่อยตันหาแล้วละตันหาแล้วสละทิ้งตันหาแล้วได้แก่คลายราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสละทิ้งราคะแล้ว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 ตลอดการเป็นไปต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดการสืบต่อกันกระชั้นชิดตลอดการก่อนพัดหลังพัดตลอดปฐมมยามมชิมยามปัจชิมยามตลอดข้างแรมข้างขึ้นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนตลอดปฐมมวัยมชิมวัยปัจชิมวัยคาว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่าง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 รวมความว่าผู้คลายตัณหาแล้วมีสติทุกเมือ่อคำว่าภิกษุรู้ธรรมทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้อธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าสังขาเครื่องพิจารณาได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความไม่หลงงมงายความเลิกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำว่ารู้แล้วอธิบายว่า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 สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอีกในหนึ่งรู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเทียงแล้วพิจารณาแล้วทําให้กระจ่างแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดูดหัวฝีเป็นดูดลูกศรเป็นของที่ต้องสลัดออกไปคําว่าดับกิเลสได้อธิบายว่า ชื่อว่าดับกิเลสได้เพราะทำราคะให้ดับไปชื่อว่าดับกิเลสได้เพราะทำโทสะให้ดับไปชื่อว่าดับกิเลสได้เพราะทำโมหะให้ดับไปชื่อว่าดับกิเลสได้เพราะทำโกธะอุปนาหะมักขะปลาสะอิสามัชริยะมายาสาเถยะธัรมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปมาทะ ิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกรนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาภิสังขารทุกประเภทให้ดับไปคําว่าภิกษุอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะทําลายทำเจ็บประการได้แล้วอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นพบใหม่แล้วผู้นั้นชื่อว่าภิกษุรวมความว่าภิกษุ รู้ทำทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้คำว่าภิกษุนั้นในคําว่าภิกษุนั้นชื่อว่าไม่มีความหวั่นไหวได้แก่พระอรหันตขีนาศคําว่าความหวั่นไหวอธิบายว่าความหวั่นไหวเพราะตัณหาความหวั่นไหวเพราะทิฏฐิความหวั่นไหวเพราะมานะความหวั่นไหวเพราะกิเลสความหวั่นไหวเพราะกาม ความวันไหวเหล่านั้นไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหามิได้แก่พิกษุนั้นความวันไหวทั้งหลายพิกษุนั้นละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่าพิกษุนั้นชื่อว่าไม่มีความวันไหวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเนตยะภิกษุเป็นผู้มีพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในการมทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้สันโดษผู้คลายตัณหาแล้วมีสติทุกเมือ่อรู้ธรรมทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้ภิกษุนั้นชื่อว่าไม่มีความวันไหว พระผู้มีพระภาพตรัสตอบอีกว่าพิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถํากลางด้วยมันตาเราเรียกพิสษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษพิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้คาว่าภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในทํากลางด้วยมันตาอธิบายว่า คำว่าส่วนสุดได้ แ, แก่ภัทระเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งภัทสะสมุทัยเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งภ umm. ัทสะนิโรธอยู่ท่ามกลางอดีตเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสุขเวทนาเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งทุคขมสุขเวทนาอยู่ท่ามกลางนามเป็นส่วนสุดด้านหนึ่ง รูปเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิ ญ, ญญาณอยู่ท่ามกลางอายตนะภายในหกเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งอายตนะภายนอกหกเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งวิญญาณอยู่ท่ามกลางสักกายะเป็นส่วนสุดด้านหนึ่งสักกายะสมุทัยเป็นส่วนสุดอีกด้านหนึ่งสักกายะนิโรจอยู่ท่ามกลางปัญญาตรัสเรียกว่ามันตาได้แก่ความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัด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 ยึดถือว่าเป็นของเราด้วยส่วนแห่งตัณหามีประมาณเท่าใดย่อมยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งวัตถุมีประมาณเท่านี้ว่านี้ของเรานั่นของเราเท่านี้ของเราของเรามีประมาณเท่านี้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะเครื่องปูลาศเครื่องนุ่งห่มธาตุหญิงชายแพะแกะไก่สุกร ช้างโคมา้าลาที่นาที่สวนเงินทองบ้านนิคมราชธานีแคว้นชนบทกองพลรบคลังหลวงแม้มหาปฏิพีทั้งสิ้นย่อมยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตันหาซึ่งจำแนกได้ร้อยแปดนี้ชื่อว่าความยึดติดด้วยอำนาจตันหาความยึดติดด้วยอำนาทิฏฐิเป็นอย่างไร คือสกัยทิฏฐิมีวัตถุยี่สิบมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบอันตรคหิกะทิฏฐิมีวัตถุสิบทิฏฐิการตกอยู่ในทิฏฐิความรกชัดเคยทิฏฐิความกันดานเคยทิฏฐิเสียนน้ำเคยทิฏฐิความดิ้นรนเคยทิฏฐิเครื่องผูกพันเคยทิฏฐิความถือความถือมั่นความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิด ลัทิเดรธีความถือขัดแยง้งความถือวิปริตความถือวิปลาสความถือผิดความถือในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงว่าเป็นจริงเห็นปานนี้จนถึงทิฏฐิหกสิบสองนี้ชื่อว่าความยึดติดด้วยอำนาจทิฏฐิคำว่าภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชาติส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาอธิบายว่า ภิสูุนั้นรู้ชัดแล้วเพือทราบแล้วเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งซึ่งส่วนสุดทั้งสองและท่ามกลางแล้วด้วยปัญญาย่อมไม่ยึดติดเพือไม่เข้าไปยึดติดได้แก่ไม่ติดแล้วไม่ติดพร้อมไม่เข้าไปติดออกแล้วสลัดออกแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากความยึดติดอยู่รวมความว่า พิสูนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาคำว่าเราเรียกพิสุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษอธิบายว่าเราเรียกพิสุนั้นคือกล่าวถึงเข้าใจพูดถึงแสดงถึงแถลงถึงพิสุจน์นั้นว่าเป็นมหาบุรุษคือเป็นบุรุษผู้เลิศบุรุษผู้ประเสริฐสุดบุรุษผู้วิเศษบุรุษผู้เป็นประธาน บุรุษผู้เป็นหัวหน้าบุรุษผู้สูงสุดบุรุษผู้ยอดเยี่ยมท่านพระสารีบุตรกราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสเรียกว่ามหาบุรุษมหาบุรุษเพราะเหตุอะไรหนาบุคคลจึงเป็นมหาบุรุษพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราเรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว เราไม่เรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นบุคคลมีจิตหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่จิตเยี่อมคลายกาหนัดหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผาขีเลธมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาโทมนัสในโลกได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตย่อมคลายกำหนัดหลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนี้แล เราเรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเราไม่เรียกว่ามหาบุรุษเพราะเขาเป็นผู้มีจิตยังไม่หลุดพ้นรวมความว่าเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นมหาบุรุษคําว่าภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้อธิบายว่าตัณหาตัดเรียกว่าเครื่องร้อยรัดได้แก่ความกําหนัดความกําหนัดนักอภิชา เอากุศลละมูลคือโลภะเครื่องร้อยรัดนี้พิกษุได้ละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วพิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นคือล่วงก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงเลยเครื่องร้อยรัดได้รวมความว่าพิษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้พร้อมกับการจบคาถาธรรมจักสุไรทุลีปราศจากมณฑินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์หลายพันผู้มีชันทะความพยายามความประสงค์การอบรมบุญญาบารมีร่วมกันกับพรามจิตของพรามนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่นหนังเสือชดาผ้าคากรองไม้เท้าและกระจันน้ำผมและหนวดของติดจะเมตยพรามก็หายไป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 ติจะเมตยะมานวะปัญหานิเทศที่สองจบ 3. ปุณญกะมานวะปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของปุณญกะมานพท่านปุณญกะทูลถามดังนี้ ข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวันไหวผู้มีปกติเห็นมูลฤาษีมนุษย์ประศัตรและพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคําว่า พระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวันไหวผู้มีปกติเห็นมูลอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าเหตุให้หวันไหวได้แก่ความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะตัณหาเหตุให้หวันไหวนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าไม่มีตัญหาเหตุให้หวันไหวเพราะพระองค์ทรงละตัญหาเหตุให้หวันไหวได้แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่มีตันหาเหตุให้หวันไหวพระผู้มีพระภาคไม่ทรงวันไหวคือไม่ทรงสะเทือนไม่เคลื่อนไหวไม่สะท้านไม่จันสะท้านเพราะได้ลาบ เพราะเสื่อมลาบบ้างเพราะได้ยศเพราะเสื่อมยศบ้างเพราะสันเสริญเพราะนินทาบ้างเพราะสุขเพราะทุกบ้างรวมความว่าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้วันไวว่าด้วยกุศลรมลและอกุศลมมลสามคำว่าผู้มีปกติเห็นมูลอธิบายว่าพระผู้มีประภาผู้มีปกติเห็นมูลคือทรงเห็นเหตุ ทรงเห็นต้นเหตุทรงเห็นการเกิดขึ้นทรงเห็นแดนเกิดทรงเห็นสมุทฐานทรงเห็นอาหารทรงเห็นอารมณ์ทรงเห็นปัจจัยทรงเห็นเหตุเกิดอกุโสรมูลสามประการคือหนึ่งอกุศลมูลคือโลภะสองอคุโสรมูลคือโทสะสอกุโสรมูลคือโมหะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลายต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการเหล่านี้ต้นเหตุให้เกิดกรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. โลภะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรม 2. โทสะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรม 3. โมหะเป็นต้นเหตุให้เกิดกรรมภิกษุทั้งหลายเพราะกรรมที่เกิดจากโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากโทสะเพราะกรรมที่เกิดจากโมหะ เทวดามนุษย์มีสุคติอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏที่แท้แลเพราะกรรมที่เกิดจากโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากโทสะเพราะกรรมที่เกิดจากโมหะนรกกำเนิดเดรฉานเปตะวิสัยหรือทุขติอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรากฏเพื่อความบังเกิดแห่งอัตภาพในนรกกำเนิดเดรฉานเปตะวิสัยอกุโสมูลสามประการนี้ พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้มีปกติเห็นมูลทรงเห็นเหตุเกิดอย่างนี้บ้างปุสลมูลสามประการคือหนึ่งปุสลมูลคืออโลภะสองปุสลมูลคืออโทสะสาปุสลมูลคืออโมหะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ต้นเหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากอโทสะเพราะกรรมที่เกิดจากอโมหะนรกกำเนิดเดรฉานเปตวิสัยหรือทุคติอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏที่แท้แลเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากอโทสะเพราะกรรมที่เกิดจากอโมหะ เทวดามนุษย์หรือสุขติเอินอย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรากฏเพื่อความบังเกิดแห่งอัตภาพในเทวดามนุษย์ผู้สนลมูลสามประการนี้พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้มีปกติเห็นมูลทรงเห็นเหตุเกิดอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอกุศลเป็นส่วนอกุศลเป็นฝ่ายอกุศลทาเหล่านั้นทั้งหมดล้วนมีอวิชชาเป็นมมลรากมีอวิชชาเป็นแหล่งรวมทาเหล่านั้นทั้งหมดมีอวิชชาอันอรหัตมร ก, กรรมจัดได้ล้วนถึงความเพิกถอนพระผู้มีประภาคทรงรู้ทรงเห็นพระผู้มีประภาชื่อว่าผู้มีปกติเห็นมูลท่่งเห็นเหตุเกิดอย่างนี้บ้าง สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นกุศลเป็นส่วนกุศลเป็นฝ่ายกุศลทำเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลรวมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทบันดิ ก, กล่าวว่าเป็นยอดแห่งทำเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้มีปกติเห็นมูล ทรงเห็นเหตุเกิดอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นว่าอาวิชชาเป็นมูลแห่งสังขารสังขารเป็นมูลแห่งวิญญาณวิญญาณเป็นมูลแห่งนามรูปนามรูปเป็นมูลแห่งสลายตนะสลายตนะเป็นมูลแห่งผัสสะผัสสะเป็นมูลแห่งเวทนาเวทนาเป็นมูลแห่งตันหา ตันหาเป็นมูลแห่งอุปาทานอุปาทานเป็นมูลแห่งภพภพเป็นมูลแห่งชาติชาติ um. เป็นมูลแห่งชราและมรณะพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้มีปกติเห็นมูลทรงเห็นเหตุเกิดอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นว่าจักขูประสาทเป็นมูลแห่งโรคตา โสตประสาทเป็นมูลแห่งโรคหูคานประสาทเป็นมูลแห่งโรคจมูกชิวหาประสาทเป็นมูลแห่งโรคลิ้นกายประสาทเป็นมูลแห่งโรคกายพระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นว่ามนโนประสาทเป็นมูลแห่งทุกทางใจพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้มีปกติเห็นมูลทรงเห็นเหตุทรงเห็นต้นเหตุทรงเห็นการเกิดขึ้น ทรงเห็นแดนเกิดทรงเห็นสมุทฐานทรงเห็นอาหารทรงเห็นอารมณ์ทรงเห็นปัจจัยทรงเห็นเหตุเกิดอย่างนี้บ้างรวมความว่าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวผู้มีปกติเห็นมูลคำว่าดังนี้ในคำว่าท่านปุณกะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิรวมความว่า ท่านปุณกะทูลถามดังนี้คำว่าข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าอธิบายว่าข้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าเพื่อข้าพระองค์ต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าข้าพระองค์ต้องการฟังปัญหาจึงมาเฝ้ารวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าอีกในหนึ่งข้าพระองค์ต้องการปัญหา เธอต้องการถามปัญหาต้องการฟังปัญหาจึงมาเฝ้าคือเข้ามาเข้ามาเฝ้าเข้ามานั่งเฝ้ารวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพระองค์ทรงมีความต้องการปัญหาจึงเสด็จมาคือแม้พระองค์ก็ทรงเป็นผู้องค์อาจทรงสามารถทรงสมควรเพื่อตรัสวิจัชณาชี้แจง ทงกล่าวถึงปัญหาที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วอธิบายว่าขอพระองค์ทรงภาระนี้รวมความว่าข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าอย่างนี้บ้างคําว่าอาศัยอะไรในคําว่าเรศีมนุษย์อาศัยอะไรอธิบายว่าอาศัยคือหวังเยื่อใหญ่เข้าใกล้ผัวพันน้อมใจเชื่ออะไร คำว่าเรศีอธิบายว่าคนพวกใดพวกหนึ่งที่บวชเป็นเรศีได้แก่อาชีวกนิครนฉดินดาบทเรียกชื่อว่าเรศีพวกมนุษย์ตรัสเรียกว่ามนุษช์รวมความว่าเรษีมนุษช์อาศาัยอะไรคำว่ากษัตริย์ในคําว่ากษัตริย์พราหมณ์แก่เทวดาทั้งหลายได้แก่ คนพวกใดพวกหนึ่งที่เกิดในวรนนกษัตริย์คําว่าพราหมณ์ได้แก่คนพวกใดพวกหนึ่งผู้กล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้เจริญว่าด้วยเทวดาคําว่าแก่เทวดาทั้งหลายอธิบายว่าพวกอาชีวกเป็นเทวดาของสาวกของอาชีวกพวกนิครนเป็นเทวดาของสาวกของพวกนิครน พวกฉดินเป็นเทวดาของสาวกของฉดินพวกปริพาชกเป็นเทวดาของสาวกของปริพาชกพวกดาบทเป็นเทวดาของสาวกของดาบทช้างเป็นเทวดาของพวกประพฤติหัดถีพรตม้าเป็นเทวดาของพวกประพฤติอศวาพรตโคเป็นเทวดาของพวกประพฤติโคพรตสุนักเป็นเทวดาของพวกประพฤติกุกุระพร เป็นเทวดาของพวกประพฤติกากับพรเท้าวาสุเทพเป็นเทวดาของพวกประพฤติวาสุเทวพรศพนละเทพเป็นเทวดาของผู้ประพฤติพนละเทวพรศท้าวปุณณพัทระเป็นเทวดาของพวกประพฤติปุณณพัทระพรเท้าวมณีพัทระเป็นเทวดาของผู้ประพฤติมณีพัทระพรศไฟเป็นเทวดาของผู้ประพฤติอคิพรศ นาเป็นเทวดาของพวกประพฤตินาพรตครุฑเป็นเทวดาของพวกประพฤติสุปันนะพรตยักษ์เป็นเทวดาของพวกประพฤติยักษะพรตอสูรเป็นเทวดาของพวกประพฤติอสุรพรตคนทันเป็นเทวดาของพวกประพฤติคนทันพรตเท้ามหาราชเป็นเทวดาของพวกประพฤติมหาราชพรตพระจันทร์เป็นเทวดาของพวกประพฤติจันทพรต อาทิตย์เป็นเทวดาของพวกประพฤติสุริยะพรษพระอินทร์เป็นเทวดาของพวกประพฤติอินทรพพระพรมเป็นเทวดาของพวกประพฤติพรมมพรษทิศทั้งหลายเป็นเทวดาของพวกประพฤติทิศาพรษคนสัตว์และสิ่งเหล่านี้ผู้ควรแก่ทักษิณาของชนเหล่าใดคนสัตว์และสิ่งเหล่านั้นเป็นเทวดาของชนเหล่านั้นรวมความว่ากษัตริย์พราหม แก่เทวดาทั้งหลายคําว่าจํานวนมากในโลกนี้จึงพากันบูชายันอธิบายว่าไทยธรรมได้แก่จีวรบินดาบาดเสนาสนะกีฬานปัจใจเพศปรรขารข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีปเรียกว่ายัน คำว่าจึงพากันบูชายันอธิบายว่าคนแม้เหล่าใดสแสวงหาค้นหาเสาะหายันคือจีวอนบินทบาทเสนาสนะและทีลานปัจจัยเภศัชบริการข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่พักเครื่องประทีบคนแม้เหล่านั้นชื่อว่าบูชายัน คนแม้เหล่าใดให้สละบริจาคชีวรบินทบาทเสนาสนะกิลานัจปัยจเพสัชบริขารข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบคนแม้เหล่านั้นชื่อว่าบูชายันคำว่าจำนวนมากอธิบายว่ายันเหล่านี้มากผู้บูชายันก็มาก ผู้ควรแก่ทักษา น, นั้นก็มากยันเหล่านั้นมากอย่างไรยันเหล่านี้คือจีวรบิณนบาตเสนาชนะกิลานปัจจัยเภสัตปริขารข้าวน้ำผ้ายานพวงดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่พักเครื่องประทีบมีมากและชนจํานวนมากยันเหล่านั้นชื่อว่ามากอย่างนี้บ้างผู้บูชายันนั้นมาก คือกษัตริย์ก็มากพราหมกก็มากแพทย์ก็มากสูตรก็มากพระรหัสก็มากบรรพชิตก็มากเทวดาและมนุษย์ก็มากผู้บูชายันมากอย่างนี้บ้างบุคคลผู้ควรทักจินาเหล่านั้นมากอย่างไรคือบุคคลผู้ควรทักจินาเหล่านั้นมีมากมายคือสมณะก็มากพราหมกก็มากคนกําพระก็มากคนเดินทางก็มากวันิพกก็มาก และยาจบเพือมากบุคคลผู้ควรทักษินาเหล่านั้นชื่อว่ามากอย่างนี้บ้างคำว่าในโลกนี้คือในมนุษย์โลกรวมความว่าจำนวนมากในโลกนี้จึงพากันบูชาหยันว่าด้วยการถามสามคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้น ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าคำว่าขอทูลถามได้แก่การถามสามอย่างคือ 1. การถามเพื่อทำให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น 2. การถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้ว 3. การถามเพื่อตัดความสงสัยการถามเพื่อทำให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นเป็นอย่างไร คือโดยปกติลักษณะใดตนยังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ได้เทียบเคียงยังไม่ได้พิจารณายังไม่ได้ทำให้กระจ่างยังไม่ได้ทำให้แจ่มแจ้งก็ถามปัญหาเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเทียบเคียงเพื่อพิจารณาเพื่อทาให้ลักษณะนั้นแจ่มแจ้งนี้ชื่อว่าการถามเพื่อทำให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น การถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วเป็นอย่างไรคือโดยปกติลักษณะใดตนรู้เห็นเทียบเคียงพิจรารณาทำให้กระจ่างทำให้แจ่มแจ้งแล้วก็ถามปัญหาเพื่อเทียบเคียงลักษณะนั้นกับบันดิตอื่นนี้ชื่อว่าการถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วการถามเพื่อตัดความสงสัยเป็นอย่างไร คือโดยปกติบุคคลเป็นผู้แล่นไปสู่ความสงสัยแลนไปสู่ความเคลือบแคลงเปิดความคิดเป็นสองแง่ว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่น้อเป็นอะไรหรือเป็นอย่างไรนอเขาก็ถามปัญหาเพื่อตัดความสงสัยนี้ชื่อว่าการถามเพื่อตัดความสงสัยเหล่านี้ชื่อว่าการถามสามอย่างการถามอีกสามอย่างคือหนึ่งการถามของมนุษย์ 2. การถามของอมนุษย์สการถามของรูปเนรมิตการถามของมนุษย์เป็นอย่างไรคือพวกมนุษย์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาคือพวกพิสุก็ทูลถามพิสุณีก็ทูลถามอุบาสกก็ทูลถามอุบาสิกาก็ทูลถามพระราชาก็ทูลถามกระจัดก็ทูลถามพราหมณ์ก็ทูลถาม แพทย์ก็ทูลถามสูตรก็ทูลถามครหัสก็ทูลถามบรรปะชิกก็ทูลถามนี้ชื่อว่าการถามของมนุษย์การถามของอมนุษย์เป็นอย่างไรคือพวกอมนุษย์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้วทูลถามปัญหาคือพวกนาคก็ทูลถามครุฑก็ทูลถามยักษ์ก็ทูลถามอสูรก็ทูลถามคนทันก็ทูลถาม ท้ามหาราช ก, ก็ทูลถามพระอินทก็ทูลถามพระพรหมก็ทูลถามเทวดาก็ทูลถามนี้ชื่อว่าการถามของอนมนุษย์การถามของรูปเนรมิตรเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงเนรมิตรพระรูปใดซึ่งสําเร็จด้วยพระไถยมีอวัยวะใหญ่น้อยครบทุกอย่างมีอินทรีย์ไม่บกพร่องพระรูปเนรมิตรนั้น เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคทรงวิจัชนานี้ชื่อว่าการถามของรูปเนรมิตรเหล่านี้ชื่อว่าการถามอีกสามอย่างการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามเพื่อประโยชน์ตน 2. การถามเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 3. การถามเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามเพื่อประโยชน์ในพบปัจจุบัน 2. การถามเพื่อประโยชน์ในพบหน้า 3. การถามเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามเพื่อประโยชน์ที่ไม่มีโทษ 2. การถามเพื่อประโยชน์ที่ปราศจากกิเลส 3. การถามเพื่อประโยชน์ที่ผุดผ่องการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงอดีต 2. การถามถึงอนาคต 3. การถามถึงปัจจุบันการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงเรื่องภายใน 2. การถามถึงเรื่องภายนอก 3. การถามถึงเรื่องทั้งภายในและภายนอกการถามอีกสามอย่างคือ 1. การถามถึงกุศลธรรม 2. การถามถึงอกุศลธรรม 3. การถามถึงอพยกตะธรรมการถามอีก3มอย่างคือ 1. การถามถึงขัน 2. การถามถึงธาตุสการถามถึงอายตนะการถามอีกสามอย่างคือ 1. ก, การถามถึงสติปฐาน 2. การถามถึง ส, มสมัสมมปทาน 3. การถามถึงอิทธิบาทการถามอีกสามอย่างคือ 1>, 1. การถามถึงอินทรีย์สองการถามถึงภละสการถามถึงโพชฌงการถามอีกสามอย่างคือหนึ่งการถามถึงมรรคสองการถามถึงผลสการถามถึงนิพพานคำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นอธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์เพื่อทูลขอทูลอันเชิญ ทูลขอให้ทรงประกาศว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิดรวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวโดยวความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญัติคําว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอธิบายว่าขอโปรดตรัส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 ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวผู้มีปกติเห็นมูลหรสีมนุษย์ประสัตรและพรามจำนวนมากในโลกนี้อาศัยอะไรจรึงพากันบูชายันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีประภาคข่าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด